ใจที่มีความหลงคาว่าหลงไม่หมาถึงการไม่รู้ไม ja. ่เท่ารู้ทันต่ออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจหลงอยู่ในจุดหลงอยู่ในทุกหลงอยู่ในดีหลงอยู่ในชั่วมีประสวรหลงอยู่ในนั้นเราไม่เห็นมันไม่รู้มันที่เรามามีสติรู้สึกอยู่ทุกขณะที่เป็นต่อในกายในใจเนี่ยความหลงก็จะหายไปความไม่รู้ก็จะหายไปไอความมีสติความรู้นี่จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะมีสติที่เป็นผู้รู้อยู่ทุกขณะ นั้นก็เราคือมีพุทธะมีพระรู้อยู่กับเราแล้วมีพุทธเจ้าหรือว่าธรรมะที่อยู่กับเราคือมีสติอยู่ตลอดเวลานั่นคือเราได้สติเป็นเครื่องอลึกรูก้ท่ารู้ผันเป็นการที่จะปรับทุกข์ให้แก่จิตใจของเราเองเพราะนั้นอานิสงส์นั้น ม, มีมากมายจากการเ ร, เร็นสติเร็นกรรมฐานเนี่ยจึงสามารถทํำให้เรานำยกจิตยกใจของเรานั้นให้สูงขึ้นด้วยสูงขึ้นด้วยสู ง, ยสงจากความเป็นคน ที่ตะพนไปด้วยทั้งดีทั้งเชื่อทั้งสุกทั้งทุกข์ทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยมาสู่ความเป็นมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงที่เตรียมพร้อมไปด้วยคุณธรรมเตรียมพร้อมไปด้วยจิตใจที่มันสูงส่งดีงามที่มีธรรมะมีความเมตตากรุณาพร้อมอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยมันพร้อมทีกอย่างสามารถจะยกใจสูงขึ้นจากความเป็นคนอุดมชนธรรมดามาสู่ความเป็นมนุษย์ผู้ที่มีศีลมีธรรม ยก ร, ระบับจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทวดาหมายถึงผู้ที่มีจิตใจอสูงขึ้นตามระดับท่านที่เราได้ฝึกได้หัดจเป็นผู้ที่มีฮิลิโอตาตะอยู่สติพร้อมอยู่ทุกเมือ่อรู้จักอายชั่วกลัวาลบาปละเว้นจากบาปได้เด็ดขาดเป็นใจมังกรมีความสะอาดสูงขึ้นไปถึงความเป็นผู้เป็นเทมหมายถึงว่ามีประวิหารดุจกกจิตจัดใจมีคุณธรรมของผู้ใหญ่ มีคุณธรรมที่ใหญ่ยอยู่กับใจนั้นที่ว่ามีเป็นผู้เป็นพรือว่ามีจิตใจที่อยู่กับสมาธิมีทานมีสมาธิอาศัยเป็นที่เชื่งอยู่นี่คือว่ายกใจเสูสงให้นไปแล้วจนสามารถที่ยกใจเราให้สูงขึ้นอีกถึงจางเป็นอริยะบุคคลโสาดาบันสกิทคาคาณ า, าคาจนถึงจางเป็นพระอรหันต์อันนั้นคือจุดเป้าหมายของการที่จะยกระดับจิตจิตญาณเราให้สูงขึ้นสำน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือพยายามที่จะ ฝึกฝนอบรมจิตใจเท่านั้นให้มันดีงานรู้จักบาตรู้จักบุญรู้จักสุครู้จักทุกข์รู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักขนทางที่จะดำเนินไปสู่ความแบบทุกข์นี่คือจุดเป้าหมายของเราหากว่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ย, ยังงัวเ ม, มายังประมาทยังไม่ใส่ใจในการที่จะฝึกหัดปฏิบัติเป็นแล้วเยเกิดมาแล้วมันไม่ไม่ได้ดีทิศเราอาจจะตกต่ำหรือคุณธรรมเราอาจจะตกต่ำไป หรือใจเรานั้นอาจจะเลื่อนไหลลงไปในทางต่งำกรามทําให้เสียความเป็นมนุษย์เสียความเป็นคนจนตกไปสู่สภาพของสัตว์ประเพณีศิลปะหรือสัตว์ประหลานอันนั้นเป็นภูมิของจิตของใจที่มันตกต่ำผู้ที่ตกไปอยู่ภูมิเช่นนี้ชื่อว่าตกไปสู่อบดายตกไปสู่ในทางที่ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยคือเราเกิดมาพบพระศาสนาเกิดมาพบ พ, พระพุทธเจ้ามาพบพระธรรม แล้วก็มาพบพระสงร์้รู้ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็อย่าได้ปรมากในการที่จะฝันายในการที่จะฝึกขัดปฏิบัติตนพยายามที่จะยกระดับจิตใจแล้วให้มันสูงที่ตลอดเวลาไม่ให้ใจนั้นไปหมกมุกน่นอยู่กับอารมณ์ตันตัหรือใส่กันพยายามจับใจในสิ่งที่สูงส่งที่โปรดเกลื่ที่พระองค์ทรง ส, สงรรเสริญทรงยกย่องทรงแนะนำท่านสอนเนี่ยให้เราได้ออกมาในทางนี้เดินมาทางนี้ทางชั่วนั้นบอกว่ามันเป็นเหตุให้ตกมารก บกไม่ไม่สบายนทางที่ดีแล้วเนี่ยคือมาสมาทานศีลปฏิบัติศีลศีลยังไม่เกิดก็พยายามที่ทําให้มันเกิดมัมีขึ้นในตัวเองพยายามไว้จัดสงบระงักกายวาจชาไม่พูดไม่ทําในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามที่จะมีสติรู้ทํามันออกทำอย่างนั้นมันผิดศีลไม่ดีแล้วไม่กระทําแล้วแต่ทาสิ่งที่มันเป็นศีลผิดธรรมเมือ่อจิตใจได้อยู่กับศีลกับธรรมนี้แล้วเนี่ย ศีลทำแบบนี้มันจะประคับประคองใจเรานั้นให้ดีงามไม่ว่าให้สูงขึ้นเรยเรื่องจนสามารถที่จะเข้าสู่พุทสุภูตในทางที่สูงส่งขึ้นไปจนถึงซึ่งจะเป็นผู้ที่อดับกิเลสดับปัญหาที่หมดกิเลสหมดปัญหาในจิตในใจคือเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นอมตะมีชีวิตที่ไม่ตายมีชีวิตที่เอ่าสูงส่ ง, สงเหมือนกับพระอรหันต์เหมือนกับพระอาเดียะเจ้า ที่ท่านได้ไปแล้วสู่สึ่งพระนิพพานฉะนั้นเราผู้ที่เกิดมาภายหลังที่ได้มาเริศาสนาแล้วก็เป็นยึดเอาพระธรรมเนี่ยมาเป็นพิพิธให้ได้อย่างแท้จริงไม่จะมาทานแต่เพียงวาจาว่าเราขอมาบ ก, กายถวายทิพให้เกิดทิพย์พระธรรมพระสงฆ์เอาพระทิพย์พระธรรมพระสงฆ์มาเป็นพิพิธเราไม่เปนเพียงแต่ก่ายวาจาฉะนั้นแต่เราจะต้องกระทำลงไปจริงๆให้เกิดให้มีขึ้นในตน เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในส่วนที่เป็นคุณธรรมนั้นยังไม่ตายไปจากโลกแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, จาพระองค์จะพริฤิษีผ่านไปแล้วในส่วนร่างกายก็ดีแต่ส่วนคุณธรรมหรือคุณงามความดีต่างๆนันของพระองค์นั้นยังไม่ตายยังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในทุนนกวันในทุกตะวันของเราสา ม, มารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยจิตด่วยใจของเราในขณะใดที่ใจของเราปรศาศจากกิเลสจิตใจมีความผ่องแผ่จิตใจที่มีความเบิกบาน จิต ใ, ใจที่เติมเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมนั่นน่ะเราได้ถึงพระนณิจัยแล้วคือพุท ธ, ธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังที่เราได้สวดมนต์คาาปัญาจันนั้นพุทธโภพุท ธ, ธะนี่คือผู้รู้ในขณะใดที่จิตของดัา น, นั้นมีภาพรู้ ม, มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเนี่ยคือเรามีภาพพุท ธ, ธะอยู่แล้วในใจของเรานในขณะใดที่ใจของเรานั้น ได้มีฮิรุมีอดตัดตะมือามเพียมมีขันติเหล่านี้ชื่อว่าเราก็ได้มีธรรมะอยู่ในใจิตในใจของเราใสของเรานั้นเป็นธรรมะใจของเราไม่เป็นอกุศลไม่เป็นอกุศลาแต่ถ้าเป็นกุศลาหรือเป็นกุศลคือใจเราคิดดี ท, ดทําดีพูดดีนั้งใ จ, จเป็นธรรมะทีนี้ความเป็นสังฆะสังฆะหมายถึงผู้กระตุ้น ด, ดีปฏิ บ, บัติชอบปฏิบตัติตรงปฏิบัติธรรมสมควรจะทำปฏิบัติทีท่อออกจากทุกข์ ปฏิบัติเพื่อบัตรพุทธบัตรกิเลสนี้คือพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นไม่เฉพาะแต่ผู้ที่ทรงผมผมผ้าเหลืองเท่านั้นแม้ญาติโยมเองหากว่าเป็นผู้ที่ประบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถเป็นสงฆ์สาวกของพระเจ้าได้แม้ในทั้นพุทธการผู้ที่เป็นอุบาสิกาอุบาสกผู้ที่ประบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงช่งความเป็นพระเสดัจบัณฑิตาคาอมคาพระองค์ก็ยังยกย่องว่าเป็นสาวกของพระองค์เป็นสงฆ์ได้ขึ้นเดียวกัน ถึงแม้จะไม่ได้บวช ต, ต่อใจของท่านพุทธ น, น้ำก็คือว่ามีพระเป็นพระแล้วเป็นสงฆ์แล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะนั้นถึงแม้จะไม่ได้บวชก็ขอให้เราเป็นสาวกเป็สงฆ์ด้วยคุณธรร ม, มในทางจิตทางใจคิดแล้วบวชิตบวชใจนั้ใ น, ใ น, ใ น, ในให้เป็นธรรม ะ, ใ ห, มะให้มีสัมฆะให้มีพุทธะพร้อมเพราะนั้นการที่เรานับ ถ, ถือพระนับถือพระพุทธเจ้านั้นเราต้องเอาพระต่านใจนั้นมาไว้ที่จิตที่ใจรู้ที่จิตที่ใจรู้ลงใจที่ตัวเรา เออในขณะนี้เรามีพุท ธ, ธะปรากฏขึ้นที่ใจแล้วมีสติรู้อยู่ทุกเมือ่อความโลภความโกรธความหลงจะเกิดขึ้นสติสามารถที่จะรู้แท่รู้ทำสามารถที่จะเข้าไปแก้จิตแก้ใจดัดสิ่งเหล่านี้ได้บัดความโกรธความโลภขึ้หลงได้เนี่ยมีพุทธะแล้วในจิตในใจฉะนั้นให้เราทั้งหลายได้สร้างาธาตุพุทธะธาตุแห่งผู้รู้นี้อยู่ทุกขณะจากความรู้สึกที่ น, น้อยในการที่เรายกมือเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ย เมื่อเราสะสมเดิตรงกลมมากเท่าสร้างจังหวะมากเท้มีความรู้สึกตัวอยู่มากเอ่ามากเท่าจนเป็นรูปโตติดต่อแล้วเนี่ยใจจะเกิดสมาธิจะมีพุทธะอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ใจพราะการเห็นพุทธะองค์นั้นไม่ใช่เห็นรูปร่างหน้าตาไม่ใชเห็นร่างกายของพระองค์เมื่อท่านพิจิการนั้นมีพระจั ก, กริกพระกริเนี่ยเป็นคนที่ร่วมใส่พระ อ, องค์มากใน่สามารถเจนกระทั่งเข้ า, ขามาบวชในพุทธศาสนา เพราะเห็นพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ที่มีรูปงามมีความงามแล้วก็ติดใจในรูปร่างกายของพระ อ, องค์เป็นข้มามเบื้อตอนพระองค์จะไปไหนก็ติดตามคอยดูคอยติดตามพระ อ, องค์ตลอดเวลาในการครั้งหนึ่งพระ อ, องค์จึง เ, เรียกพระวรลิมันมาถามว่าพระวรกลิการเห็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เห็นอร่างกายร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่พุทธะอบอกว่าพุทธะแท้ๆนั้นคือผู้รู้ เจอธรรมบงปฏิติโสอธรรมบงปฏิติธิ่ใดเห็นธรรมที่นั่นเห็นไรตถาคตที่ใดไม่เห็นธรรมที่นั้นไม่เห็นเราฉะนั้นการที่เห็นพระองค์นั้นไม่เห็นรูปร่างหน้าตาแต่องค์ทรงให้เห็นถึงคุณธรรมเห็นถึงธาตรู้ผู้รู้ที่สามารถเกิดขึกับจิตใจนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าร่างกายนั้นไม่นพระพุทธเจ้าเพราะว่าธาตรู้นั่นแหละคือตัวธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนทุกคนนั่นแหละโลกพระพุทธเจ้าฉะนั้นการ ที่จะเข้าถึงพุทธธรรมะสังฆะได้ก็เข้าถึงที่ใจเข้าถึงด้วยจิตใจของเราเองทางด้านร่างกายนั้นเราก็าไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงพระองค์ได้แล้พวพระองค์เป็นปริมิตรานไปแล้วพระพุธทธรูปก็เป็นเพียงองค์แทนหรือเป็นสิ่งที่จะนีนึกเป็นเครื่องหมายให้เราลึกนึก ถ, ถึงพระองค์เท่านั้นเองพรนะพุธทธรูปก็เป็นเพียงเพาะปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเราเรียกกาบได้เท่านั้น อลุกไม่ถึงพระเจ้าองแห่งที่ปริมิตรามจะแล้วธรรมะที่อยู่ในใบลานก็ไม่สามารถที่ทําำให้เรานั้นเเพ้นจากทุกได้สังฆพระสงฆ์คือผู้ที่แคพบาบดีนี่ยก็ไม่แน่นอนไม่ไมแน่นอนเราอาจจะพึ่งนั่ น, มนไม่ไเต็มที่กรเพียงอาศัยท่านแนะนําท่านสอนเท่านั้นแต่ถ้าเราเข้าถึงด้วยสภาวะจิตใจแล้วเนี่ยจะมีพุทธะอยู่ตลอดเวลาจะมีธรรมะอยู่ตลอดเวลา จะเป็นสังฆะอยู่ทุกสังฆะอยู่ทุกขณะทุกเวลาเพราะฉะนั้นให้เราได้เอาพระทัศน์ใจเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นคณะได้อย่างแท้จริงตรงจนว่าที่พึ่งภายนอกโดยการไปกล่าวอ้อนวอนดวงสวงขอร้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งอันเสริมยังไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดยังให้เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงและไม่สามารถที่จะมาช่วยแก้ปัญหาดับคาทุกข์เราได้ แต่ผู้ใดสามารถเข้าถึงพุทธะธรรมะสังเะเป็นที่พึ่งที่ลุลุ้อยู่ที่กายที่ใจและสามารถรู้ถึงอายักษตืตามความเป็นจริงหรือว่าปฏิบัติตามองแห่งมรรคคือสืส่อธรรมทา่ธรราแล้วเนี่ยเราจะได้ทพึ่งที่สูงสุดการที่ว่าเห็นอายักษรนั้นหมายถึงการเห็นทุกคำว่าเห็นทุกนั้นหมายถึงการทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองนี่แหละให้เรารู้จักเดินมาในทุกให้รู้จักทุกตางความเป็นจริง ทุกเกิดขึ้นกับตายก็ดีกับไปก็ดีถ้าเราได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าทุกจากตัวเราเกิดมานี่มันมีแต่ทุกร่างกายก็มีแต่ทุกจิตใจก็มีแต่ทุกดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะรู้จักกับความทุกศึกษาเรื่องของทุกทุกทางกายก็ดีทุกทางใจก็ดีทุกอันเกิดขึ้นจากโฉนต์เกิดโนต์เกิดโฉนตายความโศกความร่ำรวยรำธรรมจะไม่สบายใจจะไม่สบายใจความทัดแค้นใจความปรารถนาสิงใดเมาได้ตั้งใจปรารถนาความเพลิดเพลิอ จากบุคคลิกินของอเปนทิลัสเนี่ยเล้ยวแต่เป็นเรื่องของความทุทธเกิดขึ้นในทิฏฐิจำดันของราเพราะฉะนั้นตามปฏิบัติธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะกาหนดรู้ทุกรู้ทุกพราบอกว่าพุทเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ทุทเกิดขึ้นกห้หนดรู้ทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีใวการที่มาสุสติเนี่ยมันจะมีคามุกละปลากรุทธธรรมะขึ้นมั่งนานๆุกปลากดเดินนานๆุกปากดแล้วหิวแบบุกปลากฏร้อนพุกปากฏ หนาวทุกข์ก็ปรากฏนั้นปวดเป่วยเป็นไข้ไม่สบายปวดหัวเจร้ิญปวดท้องนี่ก็เป็นทุกข์มันปลากรดอยู่ในกายทั้งนั้นอันนี้เป็นทุกข์เป่ยนร่างกายเมื่อทุกข์เ่วนนี้มันเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องรู้ถารู้ธรรมะองทุกข์อันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบำบัดไปตามหน้าที่เมื่อเราหิวเราก็รับประทานอาหารเมื่อเราร้อนเราก็อาบน้ําเมื่อเราหนาวเราก็ห่มผ้าเมื่อเราปวดไข้ปวดหัวก็หายาแก้ปวดหัวมากินกส็จ เจ็บท้องก็หายารักษาท้องมามันก็เป็นเรื่องแก้ไขการเป็นไปอย่างๆบาบัดไปในทางด้านร่างกายร่างกายาเนียบันทึกกระทั่งตาและายากย็นจะหาความสิทธาันทริเนี่ยหาได้ยากร่างกายเนี่ยถึงมันจะไม่ทกอามันก็พุกอย่างหนึ่งปวดหนักปวดเบามันก็เรื่องเรื่องของการทึกที่มันเกิดขึ้นในายงนั้นผลการทุกทางกายเนี่ยต้องแก้ไขบาบัดการเป็นอย่างๆทึกอย่างนี้จะถึงกับําบัดไป จนกระทั่งตายเราถึงจะหมดกันไปสภ า, า, านนพัระทั่งทางด้านร่างกายแต่ปัจจุบันพุธเราทางด้านจิตใจล่ะทธางด้านจิตใจเมื่อใจเป็นพุธเนเราจะทําอย่างไรสามารถที่จะดับมัลลังได้พุธเกิดขึ้นจากความที่จิตใจมันพลงแต่งอารมณ์ต่างๆเยอะอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเดียยดเด๋ยวะจิตใจหมกมุ่นทุ้งต้านเดี๋ยวะจิตใจไม่สบายอึดอัดคับแคบเยอ็เกิดความเสกความเสียใจอะไรขึ้นมาเนี่ย ทำอย่างไรชิ้นนี้จะมาเกิดขึ้นกับใจต้องมาปฏิบัติกรรมฐานมากยิงต้องมาฝึกสติให้เกิดขึ้นในใตัวทั้งวันในขณะใดที่ใจเรามีสติเพิ่มทุกขณะเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์อย่างชัดเจนนะสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับใจเพราะธรรมชาติใจของเราที่โดยปกติธรรมดาแล้วใจของเรามันอยู่เฉยเใจเรามันเป็นปกติในขณะนี้ใจเราเป็นปกติไม่รัดไม่ช e ้ำไม่โกรธไม่กลีย ใจเราเป็นปกติธรรมดาธรรมบ้านั่นมีความโกรธไม่มีความโมโหเถอะโศนั่นมีความทุกข์อะไรที่จิตในใจสำเน็ตนี้แหละคือใจที่เป็นธรรมดาแล้วก็ใจมันเป็นกลางยังไม่ทุกไม่สุขทีนี้มันทุกขมันสุกเพราะว่าถูกอารมณ์เข้ามากระทบได้เห็นทางตาเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างได้ยินทางหูเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างได้รับเอกลิ่นทางจมูก ออพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่รับพศอาหารที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างโดยสัมผัสเย็นแล้วอ่นแข็งถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เป็นทุกข์เพราะอารมณ์เข้มาเพลิงต่างไปแต่ถ้าเรามีสติราชาชาชาชักษาใจให้เป็นปกติอยู่ทุกขณะแล้วเนี่ยทุกจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นกับติตใจของเราถึงมือการทุกจะมีเพียงร่างกายเท่านั้นมีเพียงทั้งอานว่างรายน้ำมันทุกทั้งแบบผู้ปฏิสติสติไดีแล้วเนี่ยทุกว่างกาก็ เป็นเรื่องของร่างกายไปเป็นทุกอย่างเดียวเพราะพระอรหรันต์เจ้าทั้งหลายหรือพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ได้มีสุดผลอภิญญิตใจพระองค์ดีร้อเนี่ยท่านจะมีความทุกตะเพียงร่างกายแต่เป็นทุกข์ร่างกายแล้วก็ไมาสามารถที่จะมีอำนาจเหนือจิตใจของผูท้ที่พ้นจากความทุกตะแล้วเนี่ยถึงมันทุกข์ก็เป็นเรื่องของธรรมดาไม่ใช่ทุกข์ที่ในทางด้านจิตใจถึงท่านจะเจ็บป่วยจนไข้ ท่านประทุเพียงร่างกายเพียงสังขารภายนอกเท่านั้นแต่ใจของท่านนั้นจะแผงใสใจสะอาดใจสว่างใจสงบถึงท่านจะเกิดป่วยก็เป็นเรื่องของสังขาร่างกายภายนอกใจของท่านไม่ป่วยด้วยแต่สำหรับเราที่เป็นอชาวบ้านหรือเป็นผู้ที่ยังไม่ศึกษาจะไม่ปฏิบัติธรรมเม่ร่างกายเป็นทุกข์ใจก็ทุกข์ไปด้วยเมื่อร่างกายไม่สบายใจก็ไม่สบายไปด้วยหรือเกิดปัญหาอะไรใจก็เป็นทุกข์อยู่ทุกขณะทุกเพราะจิตแกล้าทุกเพราะกามเป็นอยู่ เพราะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อมาจุกใจแล้วจะรู้จักทุกรู้จักปวดเพื่อความทุกข์ต่างๆนั้นออกไปจากใจของเราใจมันจะได้อยู่สบายเพราะนั้นเมื่อใจสบายแล้วมันเป็นอะไรก็ได้จะเป็นเทวดาก็ได้จะเป็นพลิก็ได้จะเป็นมนุษย์ก็ได้หรือจะเป็นพระยาตบุคคลก็ได้ตรงที่ว่าใจมันสบายใจมันเพลนทุกแล้วแต่ถ้าใจยังไเพลินเพื่อนี้มันยากมันวยากมันยากเหลือเกินพอใจไม่สบายแล้วมันก็พูดชั่วทําชั่วคิดชั่ว ทำแต่สิ่งที่เป็นแบาบปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีการทุกกับเผลรุมเผลใจเร่ า, า, าร้อนอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะมาดับทุกแก้ปัญหาทีวเราได้คือากรากรมาปฏิสติของเรายอยู่ตลอดเวลาเช่นสติปัญญาคือมาดูรูปภูนาม่เอิงให้รู้อยู่กับรี่กับนามกายเคลื่นไหวให้ใจมันรู้กายมันเคลนไหวไปให้ใจมันรู้สึกอยู่ทั้งาารกรรมฐานในการปฏิสติแบบเคลืนไหวเนี่ยเราจึงสามารถ เอาสมาธิเนี่ยไปใช้ได้อยู่ทุกขณะไม่ใช่แต่เวลามานั่งอย่างเดียวเท่านั้นเราจะประกาศจิตหน้าที่การงานนั่งเกี่ยวข้าวตักบันมาหรือเถไร่เถมาหรือทำสวนเอาต่างๆเราก็สามารถปฏิบัติกรรมฐานแบบเคลนไหวเนี่ยไปใช้ได้เช่นเวลาที่เราทํางานอยู่เราก็มีสติรู้รู้สึกเป็นตาในตาเวลางเชียรู้สึกอยู่ใจก็รู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันในขณะที่เราทํางานรู้อยู่กับมานนั้น เราก็เป็นสมาธิได้ฝึกได้บุตรได้จนโยกันแต่มันก็ไม่เหมือนกับเรามาฝึกโดยตรงแต่ว่าเราก็ไม่ละทิ้งการมาฝึกโดยตรงเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิตื่กิปัญญาได้อย่างเรียบเลยแล้วก็อง่ายขึ้นไม่เหมือนกับการไปใช้กระดิ่งประจนแต่ถ้าเราฝึกเป็นแล้วเนี่ยทำเป็นแล้วมันจะเป็นอกตโนมัขึ้นเร็วยกมือขึ้นไปเดินจงกรมจนมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดเป็นนิสัยที่เคยกินอยู่แต่เวลาแล้วเน่ย เอาไปเช้าได้เลยทีนี้เอาไปเช้าได้ลแล้วแล้วก็เราเขียนหนังสือเข้าโรงเรียนเนี่ยเมื่อเราเขียนหนังสือเสร็จแล้วอยู่ที่ไหนก็เขียนหนังสือได้ถูกไม่ผิดแล้วเช่นเราจะเขียนเชือเขียนอะไรก็เขียนได้อยู่ทุกอย่างฉะนั้นจำเรื่องการงานมาฝึกปฏิบัติทำในขณะที่ยาติโยมมาที่รัดเนี่ยก็มาฝึกวิธีเนาะฝึกแบบที่จะเอาไปประยุกต์ปฏิบัติเมื่อเราได้ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ประยุกต์ใช้กับกางานจะล้างช่วยล้างจานก็มีสติ ในการกระพันนั้นรู้กายรู้ใจอยู่มันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้ถ้ารู้พันมันอยู่สา ม, มารถสลัดความคิดต่างๆนั้นเอ่ยหลุดพ้นออกไปได้อยู่นี่คือว่าเราได้มีสติแล้วสติแล้วทําได้ทุกขณนะไม่ว่าอาการลิเกโอไม่จำกัดการไม่จํากัดเวลาทำได้ทุกสถามที่ในขณะที่ใดรู้สึกครั้งหนึ่งเราก็มีสติรู้อยู่ ม, มีอธรรมะเปิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งไม่รู้อยู่สองครั้งก็มีสติสองครั้งรู้อยู่สาครั้ง4ีครั้งก็มีสติเรื่อยเลืยไป สตุที่รู้แต่ละขณะขณะเนี่ยมันจะค่อยเคยกินในการที่จะรับรู้ทันเรขึ้นเรวขึ้นเรวขึ้นเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเรานั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดสตุนะเกิดสติให้ทำสติเช่นก่อนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเริ่มเอาทิ้งเอาจังแล้วในการปฏิบัติธรรมกลางวันก็จะมีอากาศที่ร้อนใบก็จะแผดเผาเราก็จะพยายามที่หลบหเป็นไม้หาเลำไม้ในการที่จะนั่งทําแางเพีย ในการที่เจตเจริญสตินั่งยกมือขึ้นเอามือลงเก็บมือเข้าเอามือออกมีสติตามรู้อยู่ทุกขณะขณะที่มันคิดไปออกคิดไปแล้วรู้ทรรนั้นกลับมาอยู่กับความรู้สึกใหม่ตั้งต้นใหม่รือเชื่อมเดินจงกลมอยู่ในขณะที่ใจมันคิดออกไปก็อย่าไปตามความคิดนะพยายามที่ดึงมาอยู่กับความรู้สึกในขณะที่เดินจงกลมอยู่ความคิดมันจะแย่งความรู้สึกไปเราก็พยายามรู้สึกให้ความคิดนั้นมันมาหยุดอยู่กับความรู้สึกในขณะเนี่ย ใหมันที่เรายกมือขึ้นไหนมาเป็นการทําติดต่อช่วงระยะเวสิบวันเนี่ยต้องสามารถที่จะรู้รู้ผู้นามไมาท่ทุกคนเข้าใจได้ทุกคนุนถ้าเราตั้งใจ จ, จริงเมื่อเรารู้รู้ผู้นามเห็นรู้ผู้นามการฟางเป็นจริงเ้าเนี่ยก็จะเป็นฐานในกา ร, การกาาาที่จะรณนวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือการยกเวกนามาเป็นอารมณ์คือรู้ศึกการู้ศึกษานิเป็นอารมณ์อยู่ทุกขณะากายเคลืนไหวใจรู้ใ จ, ใจในึกคิดกินมองมิจติเพื่อไปรู้มันรู้มัน สติเาก็รู้ใจรู้ใจวันนี้บ่อถ้า่บ่อยแค่มันจะมีรูปนามมีความรู้สึกนี้เป็นอารมณ์ีตลอดเวลาแเราขณะที่เห็นรูปเห็นนามปลากิดอยู่ทุกขะมันจะเห็นต่างกัาเจริงแล้วอรูปของเป็นอนิจจังเป็นอย่างนี้เองมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองรูปเป็นทิศมันเป็นอย่างนี้เองรูปมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวที่เป็นมาเป็นอย่างนี้เองเป็นเพียงภาพเป็นเพียงธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็แต่ก็บัต ไม่มีขาเกรียบังคับบัญชามันได้มันเป็นเรื่องของภาพของรูปภารมทุตธรรมที่มันต้องเป็นไปอย่างนั้นจะรู้ทุตธรรมนรอมันเป็นทุกอย่างไงมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นอัตตาไม่เป็นมันเป็นอนัตตาคุณไม่ใช่ตัวที่เป็นของเราไมนเป็นอย่างไรเราจะรู้เข้าใจที่จะกระทั่งไปรู้ถึงอาการของนามธรรมก็วาจิตใจของเรานี่เองที่แบบมันเป็นอนุจังนำไ่เที่ยงมันเป็นอย่างไรความคิดเนี่ยความคิดเนี่เออเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยเที่ยงมันก็บิดไปไปความรู้สึก เป็นทุกข์ก็ดีเป็นสุขก็ดีแันไม่มีตัวมีตนอะไรมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแบบใจขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็บัดไปนี่ยจะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความไม่เที่ยงของนามธรรมเห็นความความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในใจเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของมันที่จะเห็นความทุกข์กำลังออกอาการของทุกข์เป็นอเลืดเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เวทนาเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้สัญญาเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้สังขารเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ เราจะเจะเห็นอนัตตามาถึงความไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรของสังขารที่มันปูนตั้งขึ้นมานี่ความคิดก็ไม่เป็นตัวเป็นตนความสุขความทุกข์ก็ไม่เป็นตัวเป็นตนความสบายไม่สบายก็มันไม่เป็นตัวเป็นตนมันเป็นเพียงสักว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับไปแล้วมันก็บิดไปแต่ถ้าเราไม่รู้ถ้ารู้ธรรมแล้วเน่ยไม่รู้จักกฎของธรรมธรรมชาติขึ้นมาแล้วเนเราจะเข้าไปยึดถือโอ้สุขเกิดขึ้นแล้วเป็นเราคิดกอ์ความขุ้นี้มาเป็นเราทุกข์เกิดขึ้นก็ยึดเอาความทุกข์นู้นมาเป็นเรา เกิดความพอใจขึ้นมากระดุ๊กเอาความพอใจไม่พอใจนั้นเป็นดัเกิดความคิดขึ้มาดีก็เราความคิดไม่ดีก็เป็นไังมารู้นจากว่าการคิดนั้นเป็นเพียงสังขารที Berlin> ่ถูกเพียงต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏบัตธรรมเนี่ยคือมารียนท่ารู้พันอารมณ์ต่างๆอารมณ์นั้นไม่ใช่ใจของเรานญาติโยมอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นใหม่เป็นสังขารที่เพิงขึ้นใหม่ไม่ใช่จิตใจของเราจิตใจของเรานั้นคือจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่าง แ้วก็จิตใจที่สงบลงัดนั่นคือใจของเราใจที่ไม่สุกไม่ทิพย์ใจที่ไม่ดีไม่ชั่วใจที่อยู่เหนื้ออารมณ์นั่นคือใจของเราแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยเรียกว่ากีเลสมันเป็นสิ่งที่อาศัยใจเราเกิดขึ้นมาแล้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุทโรณักตาเพราะฉะนั้นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเป็นอารมณ์ของใจที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติรู้ถ้ารู้ทันเราก็รู้ตักแยกออกว่าเออไอเสาร์นี้เป็นอารมณ์ไอเสาร์นี้เป็นใจ แต่นี่เป็นใจแท้ๆโดยจิตเป็นภาพรูย้ยเนี่ยไม่ทุกไม่สุงนี่คือใจของเราคือตัวใจแท้ๆของเราทีนี้ไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นมาภายหลังเน่ยเป็นสัตว์วิญญาณติดเป็นเพียงสัตวะอารมณ์เกิดขึ้นไปเาสติของเราต้องเข้าไปรู้ถึงขนาดนั้นจะรู้ทั้งความคิดอะไรขึ้นมาทุกเรื่องเรื่องใดที่มันคิดมาผ่านจิตผ่านใจต้องมีสติเข้าไรู้ทันอยู่ทุกขณะรู้ทันทุกเรื่องทุกเรื่องรู้ทันแล้วก็ปล่อยไปรู้ทันแล้วก็แปล่อยไป คือไม่อาใจนั้นมาเป็นตัวเป็นเอาความทุกนัมาเป็นตัวเป็นตนไม่เอาความคุดความคิดนั้นมาเป็นตัวเป็นตนไม่เอาความดูความชั่วที่ปรุงแต่งขึ้นมานั้นเป็นตัวเป็นตนเพราะนั้นึงว่าสังขารนั้นเป็นขอไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยเกิดมาแล้วกระดับไปสุกทุกก็ไมม่่่ชตตััวทีนนเระดับไปโยมแล้วไม่เท่ตัวที่เป็นเลราะนั้นให้เรามาอยู่กับใจในตัวแท้เนี่ยใจที่เราสะอาดไปสุกให้มันอยู่ทีาพกู้ตัวรู้มันคือใจของเราเป็น ภาพบุคนีอ้อยู่ตรงนี้อยา่าไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์อิจฉาพยาบาทนั้นเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังเป็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาภายหลังทำไมไอ้กิเที่มันทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราพยศนั่นถือั่นมันเราจึงมีการทำที่เป็นบาปหรือเป็นอกุศลเกิดขึ้นมารความคิดนี้เองแต่ถ้าเรามีสติมารู้แท้รู้ธรรมความคิดแล้วเนี่ยสามารถระงับบาปความผิดอย่างได้นั่นแหละเรียกว่าการเข้าถึงซึ่งอมตะธรรม ถึงทำที่ทําให้จิตใจสงบทำไม่จิตใจเบียบานทำไม่จิตใจจ๋อใสทำไม่จิตใจเราร่าเริงทำไม่จิตใจเป็นปกติเพราะนั้นจุดเมืองหมายเหล่านั้นคือเพื่อสงบระงับ จ, จิตใจของเราการให้ทานก็ดีการรักษาศีลดีการปฏิบัติบํบเาเพ็ญภาวนาก็ดีก็เพื่อที่จะมารู้แทรู้ทันต่อกิเลสที่มาเกิดขึ้นกับใจคือเพื่อที่จะมาสละความโรภสละความโกรธแล้วก็มาสละความหลงนี้ ให้ออกไปจากจิตจากใจของเราทำใหจิตใจเหล่านั้นมันอยู่เป็นภาตเป็นธรรมชาติที่ไม่สึกไม่พุกอยู่เหนืออารมณ์เหนือกรรมดีเหนือกรรมชั่วเป็นอยู่เหนือบุญเหนือบาปหรือบาปไม่ทําบาปหรือบุญทาบุญหรือความดีทําความดีหรือความชั่วระความชั่วเป็นจิตนั้นอยู่เหนือดีเหนือชั่วนั่นแหละเรียกว่าจิตของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพราะนั้นเราต้องยกกำบังจิตใจของเราให้มันอยู่เหนือสิ่เหล่านี้จึงว่า เราจึงสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเราทั้งหลายถูกความทุกข์เจยบแทงอยู่เกินจนโลภศาสตรกันทั่วบ้านทั่วเมืองเ ก, กิน็นทุกข์กันอยู่ต้องฆ่ า, ต, าตัวตายต้องกินยาตายต้องกระโดดน้ำตาต้องยิงตัวตายเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นกับเใาแล้วไม่รู้ทันนั้นก็ไปยินดียังร้ากับมันแค่เป็นอยู่กับอารมณ์ต่างๆไม่สามารถที่จะแยกใจที่เราฝึตออกมาจากอารมณ์นั้นได้ฉะนั้นเรามปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยเราจะได้ยุติธรร ไ้ความรู้ได้ตัรมญาได้สืน่นคือความเบิเกเบิกติของใจของวาจาและก็เกป็นเบิกติของจิตของใจได้สมาธิหมายถึงใจนะั้นมีความสงบมั่นคงไม่หวันไหวกับอารมณ์ต่างๆไมงสัน้นจิตใจจะอยู่เรียนเป็นหนึ่งเดียวนั้นเรียก่าสมาธิได้ตัรมญาคือได้ความแร่รู้ในกองสังขารคือรู้กายรู้ใจตา่งางๆเป็นจริงอันนี้ชื่อเร า, าปฏิบัติคือจะได้สืน่นได้ความเบิกเกติ ได้สมาธิคือความทระงังจิตใจได้ธรรมยาคือความรู้แท่ทันต่อสิ่งลือที่มันประเกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละคุณเรามาศึกเรื่อยจะได้สิ่งนี้ไม่ใช่ไดสิ่งอื่นไม่ใช่หลังสิ่งอื่นการที่จะให้เรานั้นเป็นเจตพุทธเพราะเราเรามารู้ทันมันที่มันเมื่อเรามาิศึกษแล้วเนี่ยเราจะได้วิชาพุทธเจ้าจะได้ธรญมาของพุทธเจ้าจะได้สิ่งที่พระองค์ทรงตั้งขอานั้นมาไว้ที่จิตใจของเราแล้วจิตใจของเราจะมีที่พึ่งที่อาศัย มีสิ่งที่จะทำเมื่อไรมันอยู่ในจิอยู่ในโลกน้ด้วยความเป็นศุกไม่พลิกไม่เดือดร้อนไม่วุ่นว า, นายเพราะฉะนั้นจิงแค่ ย, ยาตดโยทั้งหลายที่ได้มาร่วมแค่ปฏิบัติอบรมธรฐานเนี่ยจงพยายามที่สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในพุทธธรรมวิสุงให้ เ, อเอต็ม เ, เพล่งศรัทธาเ น, นี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำเมื่อไรันได้มีปริยะความภาคเพลิงในการ ท, ที่จะิมกรรมฐานจริยติกรารภาวนาได้อย่างมากมาย วริยะความเพียรการกระทำเยื่อยๆด้วยความอุตสาหะความบาดบันความไม่ย่อเพลความเอาใจเสื่เนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นมีสติคือมีความเบลึกยึดสุดตัวเพื่อพร้อมมสติที่เป็นส่งที่เป็นมหามีสติที่ใหญ่มีสติที่เป็นอำนาจเดินเหงื่อจิเ